สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเรามาพบ 14 ตุลาคมเกิด ทำให้ก็จะต้องมีการระลึกถึงวันนี้กันถึงวันนี้ที่รายก็จะต้องมีการระลึกถึงวันนี้กันแต่สําหรับราย ดิฉันสนใจหน้าพวงเหมือนรายการเรา แล้วก็เล่าต่อกันฟังว่าที่ไปเนี่ยจะเป็นการสังคมของเราสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์คออนไลน์เนี่ยนะคะก็ปรากฏ พระพุทธเจ้าก็ได้เคยพูดคํานี้อยู่บ่อยๆเอ่อของอะไร สิ่งที่เกิดที่หลังฌานเกิดก่อนเพราะฉะนั้นในที่นี้คงจะหมายแต่ถ้าเขาอธิบายมานิดอืมเพื่อให้ อธิบายแค่นี้ค่ะเสาร์วัน 4 แบบนะคือปฏิสัมภิทายานนะ เป็นผลมาหนึ่งนะซึ่ง 1 เปในอย่างนั้น 4 อย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินประเภทที่ว่ามี <ใช>นะแล้วก็ธรรมะปฏิสัมภิทาก็คือความเข้าใจในคือความเข้าใจในความตอบปัญหาถามปุ๊บตอบพั้วอย่างเงี้ย ว่าหน้าที่เพื่อนของดิฉันไปปฏิบัติเนี่ยรูปแบบอย่างไรเพียงเท่าที่ฟังข้อมูลถูกมั้ยคะแต่ถ้าโดยอ๋อคําว่าญาณกับ หมายความว่ายังไงคะท่านคะช่วยกรุณาอธิบายหน่อยยาน เพราะไอ้แค่การจดจ่อเนี่ยคือฌานความรู้ความเข้าใจคือญาณนะญาณจึงเป็น <laughs> <laughs> ไอ้การเข้าฌานด้วยซ้ํานะไอ้ค่ะอ่าแล้วไอ้การเข้าฌานเนี่ย มีความตั้งมั่นแบบไม่มีความง่วงเหงาหงอนไม่มีความเพลิดเพลินไปตามสิ่งต่างแล้วก็จะไม่ เอ่อการฝันนี่มันเป็นเรื่องหลายอย่างคือหมาย ทีนี้ใครอยากฝันดีต้องมีเมตตาใช่ๆเรื่องความฝันนี่ก็ยังเป็นค่ะแล้วถ้าสมาธิที่ลึกขึ้นไปนะที่ระดับที่สงบ นอกจากไม่ฝันร้ายนอกจากไม่ฝันร้ายเนี่ยทํายังไงถึงจะฝันเห็นหรือก็จึงอยากในวิธี รวมแล้วมีกี่วิธีเหรอคะเพราะว่าได้ยินที่ นิพพานได้แล้วเพราะอะไรเราไล่กันมาทีละ แล้วมันวิธีการที่จะทําให้เกิดอะไรนะสติคือความระลึกได้นะเช่นเราระลึกถึงหน้าแม่ แล้วคุณนึกถึงคําพูดที่คุณพูดไปแล้วเมื่อ 10 แลแล <Okay. S 1> ดีตรงดีๆเอ้ย <Okay. S 1> แต่แต่คุณเห็นอะไรในความไม่ดีนั้นเราระลึกถึงเรื่องไม่ดีแต่คุณเห็นอะไรในความไม่ดีนั้นอันนั้น แต่ถ้าเค้าฝึกเป็นทำเป็นเค้ารู้วิธีการปฏิบัติใช่มั้ยช้ำทําให้ชั้นเจ็บช้ำ 14 ตุลาคมแม่งมันช้ำใจเหลือเกินแต่ แล้วมันจะเป็นเรื่องคิดนะพระพุทธเจ้ายังยืนยันว่าคุณมีนิพพานคุณงั้นดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งอืมอันแล้วนะคะยังๆสาวๆกันอยู่ เจอกันอีกครั้งนึงถามถึงคนนั้นเค้าก็สรุปเลยว่าเค้าวันนึงก็ลืมตอนใช่ๆตัว ว่าถ้าเขาปุ๊บปั๊บรวดเร็วมากนะก็อืมเค้าอินซีแก่กล้ามากแต่ถ้าใช้ค่ะเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าราย ระวังแล้วก็เป็นสัมมาสติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเจอได้ทั้งสิ้นนะที คุณระลึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของใครสักคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวเราหรืออาจจะเป็นพระสงฆ์หรืออาจจะเป็นคฤหัสถ์คน ตรง 10 วิธีนะคุณระลึกถึงลมหายใจก็เป็นใช่แต่ที่ๆเนี่ยท่านจํา อ่าแน่นอนถ้าเรารู้จักใช้น่ะรู้จักทําให้ๆว่า ตลอดเวลาก็ยังมีความรู้สึกๆนะคะก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเพบุญเดี๋ยว มีวัดป่าวันที่ 27 นะคะคะอยู่ที่น้องหางแล้ว